Mm hmm. เมื่อกี้เราก็ได้สวดบทที่เรียกว่าคำปรงสังขารก็เป็นบทที่เตือนใจเพรเราได้ดีนะว่าสุดท้ายบั้นปลายของชีวิตเรานะก็คือความตายแล้วเมื่อความตายมาถึงก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างแม้กระทั่งร่างกายนี้ที่เราหวงแหนที่เรา อยากจะรักษาดูแลให้งดงามในที่สุดแล้วก็เน่าเปื่อยแล้วก็กลายเป็นอาหารของสัตว์หรือแมลงมีบางคนนี่เวลานึกถึงความตายก็ความปรารถนาอย่างน่้นก็คืออยากจะให้ศพสวยมามองให้ดีมันก็เป็นความปรารถนาที่ดูจะ ไม่มีทางสมหวังได้มันอาจจะสวยเพียงแค่วันแรกนะเมื่อสิ้นลมนะแต่หลังจากนั้นมันก็จะเริ่มแปลเปลี่ยนไปแล้วก็กลายเป็นความน่าเกลียดที่เจ้าตัวเองก็ไม่อยากจะเหลียวมองร่างที่เราหน้าตาที่เราอยากจะดูในกระจกนะชื่นชมมันแต่พอเรากลายเป็นศพแล้วก็เน่าเปื่อยหรือพองอืด หาว่าตอนนั้นเรามีดวงจิตหรือยานอย่างรู้ได้ก็คงไม่อยากจะเหลียวแลดูรูปร่างหน้าตาของตัวเองเพราะที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่ของเรา้การพิจารณาบทสวดเมื่อกี้นี้เนี่ยมันก็เป็นการเตือนสติที่ดีเพื่อไม่ให้เราหลงระเริงในชีวิตที่เป็นอยู่หวังแสวงหาความสุข ที่มันไม่เป็นสาระไม่ยั่งยืนหรือว่าไปหลงคิดว่าเราจะอยู่คำฟ้าเพราะฉะนั้นก็มุ่งตักตวงชื่อเสียงเกียรติยศลาบทรัพย์สมบัติเส ม, มือนกับว่ามันจะอยู่กับเราไปชั่วฟ้าดินสลายให้การเตือนสติอย่างนี้นี่ทางพุทธศาสนา เรียกว่าการพิจารณามรณัสติหรือว่าบางคนก็เรียกมรณานุสติคขามาสติในที่นี้นะอย่างที่พูดไ้เมื่อวานก็คือความระลึกได้หรือระลึกนึกถึงเช่นเมื่อเราเระลึกนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับเราอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งอันนั้นก็จับว่าเป็นสติแบบหนึ่งนะมีชื่อว่ามรณนัสติ มันช่วยทำให้เราไม่หลงระเริงกับความสนุกสนานหรือว่าการแสวงหาสิ่งที่ไร้สาระขณะที่เรากำลังเพลินอยู่เพลินกับชื่อเสียงความสำเร็จทรัพย์สินเงินทองพอเราลึกถึงความตายเหมือนอย่างที่เราได้สวดหรือพิจารณาเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ทำให้ฉก ค, คิดขึ้นมาได้ก็ทำให้รู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำ นี่ประโยชน์ของมอรณสติหรือเวลาเศร้าโศกเสียใจเพราะว่าเงินหายโทรศัพท์หายคอมพิวเตอร์หายหรือแม้กระทั่งอกหักงานการไม่สำเร็จรู้สึกเหมือนกับว่ามันจะทุกข์ทรมาร์มาเหลือเกินแต่ว่าพอนึกถึงความตายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองไอ้เหตุร้ายเหล่านั้นมันกลายเป็นเรื่องจิตจอยไปเลย มันเทียบไม่ได้กับความตายที่จะเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อถึงตอนนั้นเราก็สูญเสียทุกอย่างมีเท่าไหร่ก็เสียหมดเท่านั้นแม้กระทั่งลมหายใจก็เอาไปไม่ได้เมื่อเราลูกได้เช่นนั้นก็ทําให้เราปล่อยวางไอ้ที่เคยร้องโหมร้องไห้ก็บรรเทาเบาบางเพราะรู้สึกว่ามันช่างจิตใจเหลือเกินเมื่อเทียบกับสิ่งที่รอเราอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งของมรณะสติ ซึ่งก็จัดว่าเป็นสติอันหนึ่งนะที่จะช่วยให้เราเนี่ยดำเนินชีวิตในทางที่ถูกต้องได้มีการระลึกนึกถึงหลายอย่างที่จะช่วยทำให้ชีวิตเราเจะเลิศงอก ง, งามเช็ดร ะ, ะลึกถึงพระธรรมคำสอนเวลาเศร้าเสียใจในสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็นึกขึ้นมาได้ว่านึกถึงคำสอนของพทธเจ้าที่ตัดว่า บุคคลไม่ควรคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงอย่างที่เราสวดนะเมื่อสองสาวันก่อนพอเราเริ่มนึกถึงได้ปุ๊บเราก็วางเลยนะไอ้เรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตรหรือว่าเรื่องที่เรากลุ่มใจเกี่ยวกับงานการพอนึกถึงท ร, รมากข้อนี้ได้ก็วางเลยกลับมาอยู่กับปัจจุบัน อันนี้ก็เป็นสติแบบหนึ่งเราเรียกว่าธรมานุสติคือการระลึกนึกถึงพระธรรมคาสอนก็ทำให้เกิดการเตือนใจหรือเวลาเราท้อแท้ทอแท้ขึ้นมาก็นึกถึงพระพุทธองค์นะซึ่งทรงเปลี่ยนไปด้วยเมตตานึกถึงพระพักที่มีรอยยิ้มก็ทำให้เกิดกําลังใจ หรือขณะที่กลัวนะกลัวผีกลัวอะไรก็แล้วแต่เราก็ระลึกนึกถึงพระเจ้าจิตใจก็เกิดเป็นกุศลสงบหายกลัวอันนี้ก็เป็นผลของสติเหมือนกันนะเราเรียกว่าพุทธานุสติหรือว่าเราเลิกนึกถึงครูบาอาจารย์ที่เป็นพิสูจน์สง ท, ที่เรานับถือก็ทําให้เกิดกําลังใจในการดําเนินชีวิต ตั้งมันในความดีอันนี้ก็สติเหมือนกันเรียกว่าสังคารุสติหรือว่าเราลรกงนึกถึงความดีที่เราได้ทำอย่างคนเวลาจะตายเนี่ยนึกถึงความดีที่ได้ทำนึกถึงบุญกุศลที่ได้บาเพ็ญไม่ว่ากับพระกับาศาสนาหรือว่ากับครอบครัวจิตใจก็เกิดปิดติก็ทำให้ไม่กระสับกระส่ายไม่เศร้าหมอง พร้อมที่จะไปอย่างสงบอันนี้ก็เป็นสติอีกแบบหนึ่งเรียก ว, ว่าเชรานุสตินั่นจะเห็นได้ว่าคําว่าสตินี่มันมีความหมายที่หลากหลายมากซึ่งก็มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนก็นคือว่าเป็นการระลึกนึกถึงถ้าเราระลึกนึกถึงสิ่งที่ทาให้เกิดความรู้สึกเป็นกุศลเบิกบานในความดีเกิดปิติ อันนี้ก็จัดว่าเป็นสัมมาสติได้แต่ถ้าเราเรกนึกถึงสิ่งที่ทําให้จิตใจเศร้าหมองเช่นคนที่เขาด่าว่าเราหรือว่าคนที่เราเกลียดหรือนึกถึงความสนุกสนานที่ทําให้เราเกิดคลายความเพียนเกิดอะไรในชีวิตคารวาะอยากจะสึกออกไปเพื่อไปสนุกเหมือนที่เคยเสพ อันนี้ก็เรียกว่าเป็นมิจฉาสติได้เหมือนกันงั้นการระลึกนึกถึงนี่มันก็มีได้หลายอย่างระลึกนึกถึงเพื่อทําให้เกิดใจที่เป็นกุศลหรือระลึกถึงที่ทําให้จิตมันผดผูดเศร้าหมอเป็นอกุศลแต่ว่าอันนี้สติที่ว่านี่มันก็ต่างจากสติที่เรากําลังฝึกกันอยู่นะสติที่เราฝึกกันอยู่นี่เราเน้นเรื่องการ ละลึกรู้ในเรื่องกายและใจไม่ใช่สิ่งที่อยู่นอกตัวตัวอย่างที่พูดมานี้มันก็ยังเรียกว่าเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวก็มีประโยชน์นะแต่ว่าอย่างที่บอกไว้แล้วว่าสติมีหลายแบบสติที่กำลังฟืนนี้เราเรียกว่าเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานนี้ก็จะมีความหมายที่แคบก็หมายถึงการรละลึกรู้ในเรื่องกายกับใจ หรือแยกออกมาเป็นสี่ก็คือกายเวทนาจิตธรรมถ้าพูดย่อๆก็เหลือสองก็คือกายกับใจหรือรูป ก, กับนามไม่ได้ไประ ล, ลึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ระ ล, ลึกถึงพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่ามารู้ทันอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจของเราหรือว่าในขณะที่ไม่มีอารมณ์ใดหรือความคิดใดเกิดขึ้นก็รู้ กายที่เคลื่อนไหวอันนี้คือรู้กายรู้ใจซึ่งต้องอาศัยสติช่วยมากเพราะว่าในขณะที่เรากำลังยกมือสร้างจังหวะบางทีใจมันลอยใจลอยไปไหนไม่รู้ถ้าไม่มีสติก็จะคิดฟุ้งไปได้ไกลแต่พอมีสติก็รู้รู้ทันความคิดฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นหรือว่าเกิดระลึกได้ ว่ากำลังทำอะไรอยู่กำลังสร้างจังหวะอยู่นี่ตัวที่ทำให้จิตระลึกได้ว่ากาลังทาอะไรอยู่ก็คือสติสติระลึกได้ว่ากำลังสร้างจังหวะอยู่ทันใดนั้นสติก็พาจิตกลับมารับรู้อยู่กับกาย <c oughs> ก็เกิดความรู้สึกตัวจิตอยู่กําเนื้อกับตัวแล้วตอนนี้อะไรทำให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือสติ เพราะถ้าไม่มีสติใจมันก็ลอยไปอดีตบ้างอนาคตบ้างออกไปนอกตัวออกไปที่บ้านออกไปที่ไหนที่ไหนก็ไม่รู้หรือถ้ามีเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์ข้างนอกหอไตรนะใจก็ไปเพ่งจ้องอยู่ที่เสียงนั้นก็ไม่มีสตินะเพราะตอนนั้นมันลืมไปจิตลืมไปเลยว่ากำลังทำอะไรอยู่เมื่อลืมไปก็ไม่มีสติก็คือว่าไม่มีสติ และในขณะที่ใจไปเพ่งอยู่กับสิ่งนอกตัวหรือส่งจิตออกนอกไปอยู่กับเสียงเสียงรถหรือเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นมาอันนั้นเราก็เรียกว่าลืมตัวละเพราะว่าก็คือลืมว่ากำลังทาอะไรอยู่คนะาว่าลืมตัวก็อย่างที่ผู้เมื่อวานคือว่าลืมไปหรือไม่รู้ว่ากาลังทำอะไรอยู่แล้วก็บางครั้งก็ทำให้ทำในสิ่งที่ไม่ควรทา หรือไม่ทำในสิ่งที่ควรทำเช่นไปต่อว่าคนนั้นคนนี้ด้วยอารมณ์โกรธหรือว่าแทนที่จะรีบกลับบ้านอย่างที่ตั้งใจไว้ก็เอาแต่ขับรถเพื่อที่จะให้ทันตับการที่ปาดหน้าเราเมื่อสักครู่เราจะได้ปาดหน้ามันกลับคืนอันนี้คือเพลอทำในสิ่งที่ไม่สมควรทำหรือว่าไม่ได้ตั้งใจจะทาตั้งแต่แรก แม่ค้าต้องการขายของพอลูกค้าต่อราคาประเภทหารสองหารสามนี่ก็โกรธด่าว่าลูกค้านะแทนที่จะขายได้ก็เลยขายไม่ได้แถมได้ศัตรูมาอีกอันนี้ก็เพราะว่าลืมตัวเพราะว่าโกรธที่ลูกค้าเขาพูดจามไม่ดีหรือว่าต่อราคาแบบน่าเกลียดก็เสียประโยชน์ของตัวไปอันนี้เรียกว่าลืมตัวนะ แต่ถ้ามีสตินะมันก็รู้รู้ว่าความโกรธเกิดขึ้นแล้วก็ระลึกได้ว่ากำลังทำอะไรอยู่ตั้งใจจะขับรถกลับบ้านก็ใครเขาปานหน้าก็ช่างเขาฉันก็จะกลับบ้านเพราะมีธุระแม้จะฉุนเฉียวลูกค้าที่ต่อราคาน่าเกลียดก็ก็ยังพูดดีกับเขาจนกระทั่งเขาใจอ่อนแล้วก็ยอมซื้อนะอันนี้ก็เป็นเพราะว่าสติช่วยไว ว่าสติช่วยทําให้กลับมาทําในสิ่งที่สงควรทําำอำให้จิตกลับมาเป็นปกติแล้เมื่อสติพาจิตกลับมาอยู่กับปัจจุบันมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็คือความรู้ตัวให้ความรู้ตัวนี้ที่จริงในพุทธศาสนาก็จะมีคําหนึ่งที่เรียกเฉพาะก็คือสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอันนี้เป็นความแปล ง, ง่ายๆที่ท่องกันมานานในนวโกวา่าก็ใช้ได้นะ เวลาเราพูดว่ารู้ตัวเนี่ยจริงๆแล้วก็หมายถึงสัพปพปชชัญญาเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็ทําอะไรแบบไม่หลงสิ่งที่ตรงข้ามกับสัพปพปัญญาคือความหลงสิ่งที่ตรงข้ามกับสติคือความลืมนะลืมตัวแล้วก็หลงทําอะไรที่ไม่ถูกต้องทั้งสติและสัมปัชญะนี้สําคัญมากเมื่อมีสติเราก็จะรู้สึกตัวเราสร้างจังหวะเราเดินจงกรมเราก็จะทําด้วยความรู้สึกตัวและเมื่อเรา ทำเราก็จะพบว่าทันใดที่ความรู้สึกตัวเกิดขึ้นก็จะเกิดความโปร่งเบาสบายอันนี้เรียกว่าเป็นภาวะที่เป็นหรือเกิดภาวะที่เป็นปกติขึ้นมาภาวะปกตินี่แหละที่มันสําคัญมากคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่รู้ว่าภาวะปกติคืออะไรหมายถึงภาวะปกติของจิตนะ เพราะว่าจิตมันไม่ปกติมาตั้งแต่แรกหรือตั้งแต่นานมาแล้วไม่ปกติคือว่ามันเอียงไม่บวกก็ลบนะไม่ดีใจก็เสียใจไม่ขึ้นก็ลงจิตก็คือจิตที่มันเอียงมันไม่สมดุลมันไม่เป็นปกติมันไม่ตั้งมัน่นและเราก็เป็นอย่างนี้กันมานาน จนกลายเป็นเรื่องปกติไปไอความไม่ปกติของจิตเนี่ยพอทำไปนานๆมันกลายเป็นความปกติไปเหมือนคนที่นั่งผิดท่าแล้วก็เดินเอียงเราไม่รู้หรอกว่าเขากำลังเดินเอียงเขาไม่รู้หรอกว่าตัวเขากำลังเบี้ยวเพราะเขาอยู่ในท่าที่ผิดหรือว่าเดินผิดท่ามานานจนคิดว่านั่นคือความปกติ หมอที่จะช่วยเ ย, ออยียวยารักษาอาการนี้เนี่ยเขก็จะมีวิธีอย่างเมื่อวานนี้หมอท่านหนึ่งก็ไลฟังว่าเนี่ยเวลาเจอคนไข้แบบนี้ก็จะถ่ายรูปไปเขาดูว่าตอนที่เขายืนเป็นอย่างไรและตอนที่เขาเดินเป็นอย่างไรก็จะเห็นได้ว่ามันผิดท่าเห็นอาการบิดเบี้ยวของร่างกายเห็นความไม่สมดุลต่อเมื่อเห็นก็ถึงรู้ว่าเดินผิดปกติ เอียงแต่ถ้าไม่เห็นก็ยังเถียงอยู่ว่าฉันก็ปกติอยู่แล้วนี่มนไม่ได้เดินเอียงอะไรเลยนะตัวก็ไม่เบี้ยวบางคนมือเกรงก็ไม่ไม่รู้นะต้องถ่ายรูปให้ดูว่ามือมันเกรงจับผิดท่าต่อเมื่อเห็นรูปรูปถ่ายหรือว่ารูปเป็นวิดีโอนะเป็นรูปเคลื่อนไหวก็ถึงได้รู้ว่าอ้อเราเดินผิดท่าจริงๆนะตัวเราเอียงคอเราเอียงหรือว่าหลังหลังเรามันเบี้ยว เมื่อได้เห็นถึงรู้ถ้าไม่เห็นด้วยตาก็ไม่รู้อันนี้เป็นเรื่องของความเอียงทางร่างกายความบิดเบี้ยวทางร่างกายไอ้ความบิดเบี้ยวของจิตก็เหมือนกันนะหรือความไม่ปกติของจิตเนี่ยส่วนใหญ่ไม่รู้หรอกนะเพราะว่ามันเพี้ยนมันเบี้ยวมานานแล้วจะพูดให้ได้ยินก็ไม่เชื่อนะต่อเมื่อได้เห็นด้วยตา แต่ไม่ใช่ตาเนื้อนะคือตาในสติเนะคือตาในพอสติได้สัมผัสกับความปกติสติพอจิตไม่ได้สัมผัสความปกติเพราะว่าสติช่วยทาให้จิตมันเป็นปกติเมื่อจิตได้สัมผัสกับความปกติรู้ว่าความปกติเป็นอย่างไรซึ่งก็คือช่วงที่ใจไม่ลอยไม่ฟุ้งอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละคือช่วงที่ภาวะจิตเป็นปกติ เมื่อได้สัมผัสกับความปกติของจิตก็จะเริ่มรู้ละอ้อความปกติเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นพอจิตมันเพี้ยนหรือไม่ปกติเช่นฟุ้งนะหรือว่าดีใจเสียใจนะก็จะเริ่มรู้ละอ้อนั่นมันคือความไม่ปกติและเนื่องจากจิตจำความปกติได้่าคืออะไรมันก็จะทำให้ออกจากความไม่ปกติกลับคืนสู่ความปกติได้ แต่ใหม่ๆเนี่ยมันจะไหมนะอย่างที่เราสังเกตดูเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือทําอะไรก็ตามเช่นกินข้าวเนี่ยมันก็มันก็ใจลอยกลับมารู้ตัวได้ประเดียวเดียวซอกแบบ็บสองวแบบ็บแล้วก็ไปใหม่กลับรู้ตัวสักพักแล้วก็ไปใหม่เมื่อนคนที่เดินเอียงนะนะมารู้ตัวว่าต้องเดินให้ตรงได้แค่ไม่กี่นาทีอะ แล้วมันก็เดินเอียงเดินบิดเบี้ยวใหม่เพราะว่าทําเป็นนิสัยเสร็จแล้วเอียงจนเป็นนิสัยเสร็จแล้วแต่พอมีสติรู้ตัวก็ค่อยๆค่อยๆเดินให้มันปกติขึ้นที่เคยเกร็งเป็นนิสัยก็ค่อยๆ ค, คลายแต่เพิอเมื่อไหร่ก็เกร็งใหม่แต่ว่าทำบ่อยๆทำบ่อยๆเนี่ยการเดินให้ตรงก็จะทําได้ ขึ้นบ่อยขึ้นแล้วทีเละน้อยทีเลยน้อยก็เริ่มกลับสู่ความปกติชํานองเดียวกันจิตของเราเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันเอียงมานานแล้วมันไม่ปกติมานานแล้วคือมันฟุง้งมันกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาจะให้รู้ตัวจะให้มีสติหรือมีความปกติเนี่ยน้อยแต่พอทําบ่อยๆทําบ่อยๆจิตมันจําได้ละ ว, ว่าความปกติคืออย่างไร เวลาจิตไม่ปกติขึ้นลงเอียงซ้ายเอียงขวาก็จะจำได้จำความปกติได้ก็จะกลับมาไอการจำได้เนี่ยนะก็เป็นงานของสติที่จริงมันมันมีคำเรียกนะแต่ว่าเขาจะไม่ใช่เรียกคาว่าสติเรียกทีรสัญญาทีสัญญาคือความจำอาการได้จำลักษณะได้ซึ่งก็ไม่ได้เฉพาะจำ ความปกติได้เท่านั้นแต่ว่าจําอารมณ์ต่างๆได้ด้วยว่าอารมณ์ต่างๆเป็นอย่างไรแต่ก่อนโกรธไม่รู้ว่าโกรธลืมไปเลยแต่ต่อมาพอเจอความโกรธบ่อยก็จําได้อ๋อหน้าตาความโกรธเป็นอย่างนี้มันทําความร้อนให้แก่จิตอย่างนี้เวลาฟุ้งซ่านใจมันลอยแต่ก่อนก็ไปจมอยู่กับมันจนกระทั่งไม่รู้ว่ามันมีอาการอย่างไร แต่พอเรามามีสติเป็นผู้ดูมันก็จะรู้ตอนเข้าไปอยู่ในอารมณ์นี่มันไม่รู้หรอกนะเหมือนกับเราอยู่ในศาลาเนี่ยเราก็จะไม่เห็นว่าหน้าตาของศาลานี้เป็นอย่างไรรูปร่างของศาลานี้เป็นอย่างไรรู้ไม่ชัดจนกระทั่งเราเดินออกไปข้างนอกก็จะรู้อ๋อศาลานี้หน้าตาเป็นอย่างไรนะมีหลังคานะเป็นหน้าจัว่วนะเราก็จะเห็นลักษณะ หน้าตาหรือว่ารูปร่างของอาคารนี้ได้เมื่อเราออกมาข้างนอกศาลาแล้วตอนที่อยู่ในอารมณ์นี้มันไม่รู้หรอกนะแต่พอออกมาจากอารมณ์นั้นเห็นอารมณ์นั้นก็จะเริ่มจำได้เริ่มจาได้พอมันเกิดขึ้นอีกก็รู้แล้วอ๋อก็จะสลัดหรือหลุดออกจากอารมณ์นั้นได้ในธรรมนาในการพอใจเราเอียงกระเทเล่เช่นดีใจเสียใจ มันไม่ปกติแล้วก็นึกขึ้นมาได้หรือระลึกได้ว่าความปกติเป็นอย่างไรก็ช่วยทําให้นะดึงจิต ก, กลับมาสู่ความเป็นปกติคือกลับมาอยู่กับปัจจุบนันกลับมาอยู่กับความรู้ตัวได้ยั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นความฟุ้งซ่านความเครียดความหงุดหงิดพวนี้ลดมีประโยชน์ทั้งนั้นนะเพราะว่ามันช่วยทําให้เกิดการจําได้หมายรู้ที่แม่นยํามากขึ้นซึ่งจะช่วยทําให้ จิตเนี่ยสามารถจะกลับมาสู่ความปกติแต่ก่อนนี่จำไม่ค่อยได้เหมือนกับคนที่ถูกหลอกไปทำตัวเป็นหน้าตาดีมาชักชวนให้ไปในที่รับตาคนเสร็จแล้วพอเข้าไปถึงที่รับตาคนก็ป้นเอาเงินไปหมดตัวครั้งต่อมามาอีก ก็มาหลอกล่อเราอีกแต่เนื่องจากจำไม่ได้ด้วยเลยเชื่อเขาแล้วพอเชื่อเขาไปถึงที่หลีกเล้นรับตาเขาก็ป้นตังเงินไปอีกเป็นอย่างนี้หลายครั้งจนต่อมาจำได้ว่าหน้าตาแบบนี้นี่มันโจรเนี่ยคราวนี้มันจะหลอกเราไปเราไม่ไปแล้วเพราะเราจำได้แล้วว่ามันไม่น่าเชื่อถือเป็นผู้ร้ายไม่ทางโดยการเมื่อเราจำอารมณ์ต่างๆได้นะ พอมันมามันเกิดขึ้นมันก็หลอกเราไปไม่ได้แล้วไม่ไว่าจะเป็นความโกรธไม่ไว่าจะเป็นความเสียใจความเบือ่อมันเกิดขึ้นก็จริงแต่ว่ามันล่อลวงใจเราไปไม่ได้แล้วเพราะว่าจําได้ไ้การที่จําได้เนี่คือสตินะแต่มันเป็นสติที่มันมาถึงการระลึกได้หรือจําได้ในเรื่องที่มันในตัวนะการที่จําได้ไอ้ตัวนี้เนี่ยถ้าพูดให้เคร่งครัดก็คือธีรสัญญาคือจํา ลักษณะอาการได้ว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยคือตัวนี้แหละเมื่อรู้แล้วก็ไม่หลงทำให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันได้อธิษฐานญามก็เป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมมาสติด้วยนะไม่ใช่สติธรรมดาหรือว่าสติปัฏฐานให้พวกเราที่ปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยนะมันจะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราเกิดอะไรขึ้นกับใจเนี่ยมันล้วนแต่มีประโยชน์มันจะทาให้เราเนี่ยรู้ อารมณ์ต่างๆได้แม่นยำแล้วก็ทำให้ไม่หลงคล้อยตามมันลองสังเกตดูก็ได้นะพอเราทำไปทาไปความฟุ้งมืจะลดลงแล้วแต่ก่อนฟุ้งไปได้แปเก้าเรื่องก็ถึงรู้ตัวตอนหลังฟุ้งแค่หกเจ็ดเรื่องต่อมาก็เหลือแค่สามสี่เรื่องรู้ทันได้ไวขึ้นหรือแม้กระทั่งจะกระทั่งว่าพอเผลอคิดไปหรือพอเกิดอารมณ์กระเพิ่มขึ้นมันก็รู้รู้แล้วว่าจิตมัน คลาดออกจากความปกติเพอจิตรู้ได้ว่าความปกติคืออะไรลักษณะอย่างไรความไม่ปกติเป็นอย่างไรพอจิตมันก็เพื่อไม่ปกติเอารู้แล้วเนะี่ยก็จะกลับมาสู่ความปกติคนที่เครียดเกรงมาตลอดเนี่ยจะไม่รู้จักหรอกว่าความผ่อนคลายเป็นอย่างไรแต่พอเริ่มผ่อนคลายสักพักเช่นผ่อนคลายกล้ามเนื้อเสร็จแล้กลับมาเกรงใหม่ แล้วกลับมาผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วกลับมาเกรงใหม่ทำงี้บ่อยๆก็จะรู้แล้วว่าการผ่อนคลายนี้มันให้ความรู้สึกอย่างไรนั่นก็จะจะเกรงไม่บ่อยแล้วก็จะเริ่มคลายคลายบ่อยเข้าบ่อยเข้าบ่อยเข้ า, ขาจนทั่งกลับมาเป็นปกติได้อันนี้เป็นงานของสตินะซึ่งจะช่วยทําให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมได้ดีขึ้น สติกับความปกตินี่เรื่องเดียวกันถ้าเราอยากให้ชีวิตเราปกติอยากให้อารมณ์ของเราจิตจั ง, งเราปกตินี่ต้องอาศัยสติมากมันมีสามใบเถ้าที่ชีวิตเราเนี่ยขาดได้ยากนะอันหนึ่งก็คือสมาธิอันที่2คือสติอันที่3 ค, คือสัมปชัญญะสาศรนี่สําคัญคนส่วนใหญ่ก็รู้จักแต่สอแรกคือศรสมาธิพี่ใหญ่แล้วก็ จนกระทั่งว่าเวลาทําอะไรที่เป็นการฝึกจิตเราก็เรียกว่าฝึกสมาธิหรือว่าทําสมาธิภาวนาเพาว่าสมาธิภาวนานี้ก็เป็นคําหมายที่กว้างไม่ได้แปลว่าเป็นการฝึกเพื่อสร้างสมาธิอย่างเดียวบางทีการเจริญสติเราก็เรียกว่าสมาธิภาวนาหรือแม้ว่าแต่การเจริญวิปัสสนากรรมฐานบางทีก็เรียกว่าสมาธิภาวนาเป็นคํารวมเป็นคําหลวมหลอมแล้วจนกระทั่งคนเนี่ย รู้จักแต่สมาธิแล้วก็ไม่ค่อยรู้จักหรือเห็นความสําคัญของสติเท่าไหร่ยิ่งสัพชั ญ, ญญาแล้วก็มองข้ามไปเลยเพราะว่าอาจจะ เ, เพราะว่าจำยากด้วยนะแล้วก็เนื่องจากเป็นฟ้าแฝดกับสติบางทีก็เลยเรียกคลุมคลุมไปว่าสตินะความรู้ตัวบางทีเราก็เรียกว่าเป็นสตินะแต่ที่จริงมันเป็นหน้าที่ของสัพพัญญาแต่มันมาด้วยกันเพราะว่า สติทําให้จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้ตัวและเป็นความรู้ตัวที่ไม่ใช่รู้ตัวแบบคนความเข้าใจทั่วไปความเข้าใจคนทั่วไปคือรู้ตัวหรือรู้สึกตัวคือว่าตื่นจากหลับหรือว่าฟื้นจากสลบใครที่ฟื้นจากสลบก็เขารู้สึกตัวแล้วแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ความรู้สึกตัวที่พูดในความหมายที่เป็นสัพปปชัญญะเพราะว่า คนที่บอกว่ารู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยแต่ใจลอยฟุ้งซ่านนะก็มีเยอะแยะอันนี้เราไม่เรียกว่ามีสัมปชัญญะก็ยังทำให้เรื่องหลงๆอยู่หลงหลงลืมลืมในภาวะเช่นนั้นไม่เรียกว่ารู้สึกตัวในความหมายที่ว่าเป็นสัมปชัญญะซึ่งที่จริงถ้าไปใ ห, ให้ตรงก็คือรู้สึกตัวทั่วพร้อมทั่วพร้อมเลยก็คือรู้ทั้งกายรู้ทั้งใจในการปฏิบัติบางทีฝึกสมาธิมันไม่ทําให้รู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ เคยพาคนไปเดินเดินจงกรมตอนเช้าประมาณ4ีสห้านาทีเดินผ่านทุ่งนาผ่านสวนพอเดินเสร็จ ก, ก็ถามอาการเขาหลายอย่างแล้วประโยชน์ ก, ก็ถามว่าได้ยินเสียงจิ้งหรีหรือเปล่าเกือบครึ่งไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีทําไมถึงไม่ได้ยินเสียงจิ้งหรีก็เพราะว่า คนนึงก็บอกว่าพอใจมันไปเพ่งอยู่ที่เท้าเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยนะจิงเหล็กขาร้องตลอดทางก็ไม่ได้ยินอันนี้มันก็เรียกว่ารู้นอกนะรู้นอกแต่ว่าแม้กระทั่งอาการที่เกิดขึ้นกับกายในบางส่วนก็ไม่รู้เช่นว่าพอไปจ่ออยู่ที่จิตไปจ่ออยู่ที่ลมหายใจหรือไปเพ่งอยู่ที่เท้านะบางทีอะไรเกิดขึ้น กับส่วนหนึ่งของร่างกายก็ไม่รู้เพราะว่าจิตมันไปเพ่งอยู่เฉพาะจุดอันนี้ก็ไม่เรียกว่ารู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้สึกตัวพร้อมนี่มันก็เรียกว่ารู้ทั้งนอกรู้ทั้งในรู้รู้ไหนคือรู้กายรู้ใจรวมรวมรู้นอกคือว่ามีเสียงอะไรผ่านเข้ามาก็ได้ยินได้ยินแล้วก็ปล่อยให้ผ่านเลยไปไม่ได้ไปจดจ้องจดจ่อกับมัน การปฏิบัติเนี่ยการเจริญสติมันช่วยทาให้เกิดความเมตตัวทั่วพร้อมรู้ทั้งนอกและทั้งในหลวงพ่อคำเคียนเคยเล่าว่าสมัยที่เป็นค า, วานนรวป บ, บิบัดหลวงพ่อเทียนท่านก็ตั้งใจมากแต่เนื่องจากท่านเคยฝึกฝึกสมาธิแบบแบบสมถะมาก่อนท่านก็จะถนัดทางนั้นพุโทโธบางทีท่านบอกว่าสามารถที่จะเห็นนิมิต เห็นอย่างเช่นเห็นเป็นภาพออกมาเพราะว่าพอสมาธิแน่วแน่แล้วเนี่ยก็จะเกิดนิมิตขึ้นได้ง่ายแต่พอมาปฏิบัติหลวงพ่อเทียนท่านก็สอนอีกแบบคือการเจริญสติวันหนึ่งหลวงพ่อเทียนก็มาเยี่ยมท่านที่กุฏิหลวงพ่อเทียนอยู่ข้างล่างก็ถามหลวงพ่อคำเขียวว่ากลังทำอะไรอยู่ท่านก็อบอกากาลังปฏิบัติอยู่หลวงพ่อเทียนก็เลยถามว่า อยู่ในนั้นเนี่ยเห็นข้างนอกไหมไม่เห็นครับเพราะว่าปิดประตูปิดหน้าต่างเราทํำไมถึงจะเห็นล่ะหลวงพ่อพเทียนถามก็ต้องเปิดหน้าต่างเปิดประตูเปิดประตูเรตสร็จก็ถามว่าข้างนอกเห็นแล้วยังเออเห็นแล้วข้างในละ่ะก็เห็นแล้วแล้วท่านก็บอกเออทำอย่างนั้นนะก็คือว่าให้ไม่ให้ไปเพ่งอยู่แต่ข้างในไม่ให้ไปหนักทางเพ่งแต่ให้รับรู้ สิ่งที่เกิดขึ้นทั้งนอกและในด้วยแต่รู้แบบสักแต่ว่ารู้นะไม่ใช่ว่าไปยึดหรือว่าไปไปจ้องไปเพ่งที่อันใดอันหนึ่ ง, างการปฏิบของเราเนี่ยนะถ้าเราปฏิบายดีมก็จะเกิดความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะเพราะว่าสติมันจะพาจิตเรากำมาอยู่ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ว่าเสียงก็รู้รู้แล้วก็สักแต่ว่ารู้แล้วก็ผ่านเลยไป เสียงโทรศัพท์ก็ดีเสียงรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินนะแต่ว่าใจก็ยังอยู่รู้กับกายและใจรู้การเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นใจกับเพื่องก็รู้มันจะไม่ไปไปหงุดหงิดกับเสียงที่ดังแทะเข้ามาเพราะรู้แล้วก็ผ่านรู้แล้วก็ผ่านเหมือนกับเรานั่งรถทัวร์นะนั่งรถทัวร์ผ่านอย่างเดียวเลย จะเป็นวิวทิวทัศน์จะเป็นภูเขาจะเป็นทะเลก็ผ่านไม่จอดแวะเหมือนนั่งรถส่วนตัวนั่งรถส่วนตัวที่มันแวะอยู่เรื่อยแต่ถ้าเราปฏิบัตินะเราเจริญสตินี่มันผ่านตลอดอารมณ์ใดเกิดขึ้นไม่ว่าบวหรือลบก็ผ่านตลอดเสียงดังมาก็ผ่านไม่ไปปักตรึงหรือว่าแช่อยู่กับเสียงเหล่านั้นมีแต่ทำให้ทุกข์เปล่าๆอันนี้เราก็าให้เข้าใจให้ดีนะ แต่ว่าก็ไม่ต้องถึงกับแยกแยะนะว่าอะไรคือสมาธิอะไรคือสติอะไรคือสัพพัญญะอันนั้นมันเป็นเรื่องของบัญญตัติการปฏิบัติถ้าเราไปแยกแยะบางทีมันก็ทําให้ฟุง้งซ่านคิดมากได้ง่ายเอาแค่ใจที่สัมผัสกับอาการต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้ทันความรู้สึกนึกคิดแล้วกลับมาอยู่กับกายรู้กายที่เคลื่อนไหวรู้ใจที่คิดนึก เ, เท่านี้ก็พอละเอาแล้วก็พูดกันเท่านี้กลับค่ะ